หน้า622ข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วพูดถึงการให้ทานเนี่ยนะวิธีสมาทานข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานข้อปฏิบัติของบารมีทั้งสิบเนี่ยนะที่กล่าวไปแล้วก็ทานทานก็ยังไม่จบดีนะต่อว่าพระโพธิสัตว์นั้น การให้ทานของท่านทุกอย่างเนี่ยถ้าจะกล่าวไปแล้วก็มีเป้าหมายอันเดียวของการให้เนี่ยนะเป้าหมายอันนั้นก็คือโพธิญาณการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่ามีการขยายรายละเอียดบ้างก็จะเห็นว่าเกี่ยวกับโพธิญาณ น, นั้นมีรายละเอียดเยอะนะว่า พระมหาบุรุษเมื่อให้อมิตรทานแก่สัตว์ทั้งหลายย่อมให้ให้ทานไม่ว่าจะเป็นข้าวแต่การให้ข้าวเป็นทานเนี่ยนะก็ให้ด้วยมีความตั้งใจไว้ว่า<ม>เราพึงยังสมบัติมีอายุ<ม>วันณนะสุขพภละปฏิพานเป็นต้นและผลอันน่ารื่นรมให้สำเร็จแกสัตว์ทั้งหลายด้วยทานนี้ คือการให้ข้าวให้ข้าวเป็นทานน่ย น, นะก็ชื่อว่าให้อายุเพราะว่าข้าวทั้งหลายก็เป็นการต่ออายุเพราะว่าถ้าไม่มีข้าวอายุถ้าจะไม่ยืนอย่างใครที่ตัดข้าวตัดน้ําแล้วก็ไม่ยาวเท่าไหรนะนะ่นันะั้นการให้ข้าวเป็นทานจะชื่อว่าต่ออายุการให้ข้าวเป็นทานนี่เรียกว่าให้ผิวพันธุ์ถามว่าทําไมก็ สีหน้าตอนก่อนก่อนทานกับหลังทานนี่จะต่างกันเพบอกว่าหน้าของคนหิวโดยมากครับอกบุญไม่รับท้องั้นนะคือสีหน้าเนี่ยเป็นไปก็กว่าคือไม่ค่อยงามอ่ะนะแต่ถ้าหากว่าคนที่อิ่มแล้วก็มีวั น, น้ะที่งดงามเพราะวาความหิวเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นโรคแต่ถ้าหากว่าอิ่มไปแล้วก็เป็นความสุขนั่นนะ ตอนหิวไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกำลังแต่การอิ่มนี้ทำให้มีกำลังทำให้มีพละมีกำลังข้าวเนี่ยนะบอกว่าคนหิวโดยมากคิดอะไรไม่ค่อยออกไม่มีปฏิพานไม่มีไหวพริบเป็นต้นฉะนั้นการให้ข้าวเป็นทานนั้นจึงเชื่อว่าให้อายุให้วันนะให้ความสุขให้กำลังให้ปฏิภาน พันการให้เหล่านี้สัตว์ทั้งหลายก็จะได้มีอายุยืนมีวันณะงดงามมีความสุขมีกําลังแล้วก็มีปฏิพันธ์ผู้ที่ให้สิ่งเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเช่นว่าให้ผู้อื่นให้ข้าวเป็นทานให้อายุตัวเองก็เท่ากับให้อายุตัวเองนั่นแหละให้เพียวพันกับตัวเองให้ความสุขให้กําลังแล้วก็ให้ปฏิพันธ์แสดงว่า พระโพธิสัตว์ทั้งหลายการที่ให้ท่านท่านให้อะไรสักอย่างหนึ่งทุกอย่างนี้ผ่านการใคร่ครวนอย่างรอบค้อมเป็นการให้แบบญาณสัมปยุตมีปัญญาประกอบว่าการให้ไปนั้นมีผลอย่างไร เ, เมื่อเขาอิ่มข้าวถ้าเขาหิวสภาพของชีวิตเป็นอย่างไรเมื่ออิ่มไปแล้วชีวิตเป็นอย่างไรนั้นผ่านการใคร่ครวน มันการให้ข้าวเป็นทานจึงชื่อว่าให้อายุให้วันนะให้ความสุขให้กําลังให้ปฏิภาณเป็นต้นก็แสดงว่ามีรายละเอียดซึ่งว่าคนหิวกับคนอิ่มนี่ยมันต่างกันนะมันมีความต่างกันเยอะเนี่ยนะคนเดียวกันเนี่เราสังเกตเราเองก็เถอะแต่ตอนหิวกับตอนอิ่มเนี่ยมันคิดไม่เหมือนกันนในเรื่องเดียวกันงานเดียวกันอะไรเดียวกันเนี่ยคนที่เราคุยด้วยเนี่ยตอนที่เราหิวกับตอนที่อิ่มในความรู้สึกก็ แตกต่างกันแผนการให้ข้าวเป็นทานคําว่าข้าวก็มม่จะบ้านให้แล้วก็โยนให้ไปก้อนหนึ่งไม่ใช่ลักษณะนั้นหมายวึงว่าข้าวพร้อมทั้งกับข้าวเนี่ยนะพร้อมทั้งกับข้าวนั่นแหละหมายถึงว่าอิ่มมือหนึ่งนะนะการการให้เป็นอิ่มเลยแหละนี่ต่อไปให้น้ําเป็นฐานน่ะการให้น้ําเป็นฐานก็เพื่อระงับความกระหายแผนการที่ท่านให้น้ําเป็นทาน ดับความกระหายได้พลแห่งทานอันนี้ทำให้พระองค์นั้นดับความกระหายด้วยอานาจกิเลสโดยเฉพาะกามทั้งหลายเนี่ยมันเป็นความกระหายมันเป็นความหิวเรียกความใคร่เนี่ยนะความหิวความกระหายไอความหิวกระหายอย่างนี้เป็นไปกับความเศร้ามองการให้น้าตรงๆเลยผู้รับเมื่อดื่มไปแล้วดับกระหายได้ฉันใด ผู้ที่ให้ก็บุญอันนี้เนีให้ท่านพระองค์เนี่ยดับความกระหายด้วยอำนาจบาปอกุศลแล้วก็การให้เหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้ดับความกระหายด้วยอำนาจบาปอกุศลให้แก่สัตว์ทั้งหลายจริงการให้เหล่านี้เนี่ยอย่างพระองค์ให้ข้าวพระองค์ก็มีส่วนที่จะได้อายุวันนะาความสุขกําลังและปฏิพานพระองค์ให้น้า เป็นทานพระองค์ก็ระงับดับความกระหายด้วยอํานาจบาปและอกุศลการที่พระองค์ให้ผ้าเป็นทานให้ผ้าเป็นทานเนี่ยนะปกติแล้วคนที่มีผ้าปกปิดกับไม่มีผ้าปกปิดนี่ถามว่าแตกต่างกันไหมนะคนที่มีผ้าปิดร่างกายกับไม่มีพราะการให้ผ้าเป็นทานเนี่ยท่านบอกว่าให้ผิวพันธุ์และให้ความงดงามอย่างหลายๆท่านที่บอกว่าอดีต เป็นผู้ที่งดงามเนี่ยนะก็ถามอ่ะสาวๆไปแล้วจะรู้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ทํากรรมคือให้ผ้าเป็นทานการให้ผ้าเป็นทานนั้นทําให้ผิวพรรณเนี่ยงดงามขณะเดียวกันคนที่ไม่มีผ้าปกปิดท่านบอกว่าฮิริและโอตะปะกําเริบคนที่ไม่มีเครื่องนุ่งห่มเลยถือว่าคนที่ไม่มีหิริและโอตะปะการให้ผ้าเป็นทาน ให้เขาได้ประดับประดาอวัยวะปกปิดให้ไม่เกิดเราไม่เกิดความละอายไม่เกิดความเกรงกลัวผลแห่งบุญอันนี้ทาให้เป็นผู้ที่มีหิริและโอตตะปะมันผลแห่งการให้อันนี้ทำให้พระองค์นั้นสมบูรณ์ด้วยหิริโอตตะปะเพราะพระองค์ให้ผ้าเป็นทาน mm hmm. ขณะเดียวกันการให้ยานเป็นทานให้ยานก็คือให้รองเท้า เป็นต้นเนยนะนัตยานเนี่ยนับแต่รองเท้าเป็นต้นจนถึงรถทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยการให้อันนี้ก็เป็นเหตุให้แสดงฤทธิ์ได้ทําให้ได้อิทธิวิธีเป็นเหตุให้มีฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้และขณะเดียวกันการให้ยานเป็นทานเนี่ยเป็นเหตุให้ได้ความสุขคือคนที่ให้ยานเนี่ยนะก็คือคนที่ให้ความสุขอย่างเช่นคนที่มีรองเท้าใส่กับไม่มีใส่ยนี่มันต่างกันนะ แ, แม้กระทั่งคนที่เดินทางเนี่ยนะการ การให้ความสะดวกสบายในการเดินทางเรียกว่าให้ยานพาหนะนั้นก็ชื่อว่าให้ความสุขชั้นใดผู้ที่ให้ความสุขอันนี้ก็คือมุ่งนิพพานสุขพระองค์ได้รับความสุขคือ น, นิพพานก็เพราะให้ยานเป็นทานนี่ให้ของหอมอผลของการให้ของหอมเป็นทานทําให้สําเร็จว่ามีกลิ่นแห่งศีลที่หอมอบอวลไปทั่วโลกพร้อมทั้งเทวโลก พรมโลกในหมู่สัตว์ทั้งหลายพระองค์นั้นไม่มีความชั่วให้ได้ตําหนิเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะพระองค์นั้นมีกลิ่นหอมคือศีลผลแห่งกลิ่นหอมคือศีลก็มาจากว่าให้ของหอมเป็นทางนีนะบูชาด้วยของหอมอของหอมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับน้ําอบน้ําหอมอะไรเป็นต้นนั่นเองเรื่องการให้ดอกไม้ดอกไม้เครื่องรูปลายและเครื่องรูปลายเครื่องรูปลายก็เช่นแป้ง ให้ดอกไม้ให้แป้งเป็นตน้นก็เพื่อให้สําเร็จความงามแห่งพุทธคุณทั้งหลายนะนะพระพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยสำเร็จด้วยดอกไม้หมายว่าดอกการให้ดอกไม้เป็นทานให้เครื่องรูปไร้เป็นทานทําให้สําเร็จคุณแห่งพระพุทธเจ้าหลายอย่างคือประดับประพระองค์นี้เป็นผู้ที่ประดับประดาด้วยพระพุทธคุณนั่นเองนะนะประดับด้วยพุทธคุณ การที่พระองค์ให้อาสนะเป็นทานก็ทำให้พระองค์ได้สำเร็จอสนะโพธิมณฑลได้แท่นวัชระอาจแท่นเป็นที่นั่งตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการให้อาสนะให้ที่นั่งให้บาลังเป็นต้นเป็นทานการให้ที่นอนเป็นทานเนี่ยนะทำให้พระองค์นี้ได้สำเร็จตถาคตสยยาคือนอนแบบพระตถาคตคือนอนด้วยชานสี่ การเข้าชานที่สี to to ่พักผลด้วยชานที่สี่อันนี้ก็เป็นผลที่พระองค์ให้ที่นอนเป็นทานการที่พระองค์ให้ที่พักเป็นทานเนี่ยก็ให้สำเร็จว่าพระองค์นั้นเอ่อเป็นที่พักแห่งสัตว์ทั้งหลายคือเป็นสาระแห่งสัตว์ทั้งหลายคือเพราะผลแห่งการให้ที่พักเป็นทานสัตว์ทั้งหลายจึงพักพิงในพระองค์ได้พระองค์จึงเป็นผู้ที่มีคุณธรรม กวนแก่การพักพิงเนี่ยนะเพราะเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่พักพิงเป็นที่ป้องกันอันตรายให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายความที่พระองค์สําเร็จว่าพระองค์นั้นเป็นสารณะของสัตว์ก็เนื่องจากพระองค์ให้ที่พักเป็นทานพระองค์ให้ประทีปให้แสงสว่างเป็นทานก็ให้เพื่อให้ได้ปัญจจสุขผลจากการให้ประทีปเป็นทานทําให้พระองค์นั้น มีตามีมังสวัติตาที่ดีตาที่มีคุณภาพมองเห็นโดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นตลอดประมาณ16กิโลเมตรโดยรอบทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมองทั้งเรียกว่าทะลุโ ป, ปร่ปปรงเนี่ยด้วยตาธรรมดาขณะเดียวกันพระองค์มีทิพจักษุมีตาทิพยมีการเห็นรูปอย่างหาที่สุดไม่ได้โปร่งมียานยาณจากักษุยานที่ตาปัญญารอบรู้ทุกอย่าง พระองค์มีพุทธจักสุอาสยานุสยายานและก็อินทรยาโปรประยตยานทาให้พระองค์อย่างรู้อาสยะอนุสยะของสัตว์ทั้งหลายรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายสุดท้ายพระองค์มีสมันตะจักสุคือพระสัพพัญยุตญาณเนี่ยนะจากการให้ประทีปเป็นทานให้แสงสว่างเป็นทานเนี่ยเป็นเหตุให้ได้มีปัญจจักสุ แล้วก็เหตุที่ทำให้มีตาดีทั้งตาเนื้อและตาปัญญาเป็นต้นก็ผลจากการให้แสงสว่างเป็นทานให้ประทีปเป็นทานประทีปในที่นี้หมายถึงแสงสว่างเน้นให้แสงสว่างเป็นทานต่อไปให้รูปเป็นทานเนี่ยนะการให้รูปสวยๆประรบภาพงดงามเนี่ยนะการให้สิ่งที่งดงามเป็นทานก็เพื่อให้สำเร็จรัศมีที่ออกจากพวรกายวาหนึง่ง การให้สีสันเป็นทานเนี่ยนะตารบสีที่สวยๆแล้วก็ให้ไปก็เป็นเหตุให้มีพระสมีออกจากพระวรกายการที่พระองค์ให้เสียงเป็นทานให้เสียงเป็นทานก็ให้สาเร็จเสียงของพระองค์เหมือนกับเสียงของเท้ามหาพรหมเป็นเสียงที่ลึกนิ่มนวนลไพเราะกังวานกลมกลม่มชวนให้ฟังมีสัมเนียงที่น่าติดตามเนี่ยนะ อันนั้นก็เป็นผลของการให้เสียงเป็นทานส่วนให้รถเป็นทานเนี่ยนะรถอร่อยเป็นต้นเนี่ยนะก็คือเพื่อจะได้เป็นที่รักของโลกบอกว่าในโลกนี้ก็บอกว่าเราส่วนใหญ่ของดีๆเราจะเปรียบด้วยรถเนี่ยนะรสชาติเป็นต้นนะรสชาติตัวนี้มันมีความสำคัญมากฉันใดาการให้รถเป็นทานรถที่อร่อยรถที่ดีเป็นทานเนี่ยนะ ระสารมเนี่ยที่แตะปลายลิ้นเนี่ยถือว่าเป็นที่รักเป็นที่พอใจของชาวโลกของสัตว์โลกก็เนื่องจากพระองค์ให้รสที่ประณีตเป็นทานแต่วว่าเป็นที่ยินดีของสัตว์โลกนะบางคนศึกษาไม่ดีก็เลยโอเนี่ยเดี๋ยวเป็นจะเป็นระสะตันหาอีกเหมือนกันต่ละกิเลสแทนคนอื่นหมดเลยต่อไปให้โพธภาพเป็นทานก็คือเพื่อให้เป็นพุทธสุคุมาละ เรีว่าความละเอียดอ่อนของพระพุทธเจ้าให้โพธิภพเป็นทานเนี่ยนะปรารบสัมผัสที่ดีเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสัมผัสเนี่ยจะได้กล่าวทีหลังะนะเกี่ยวกับเรื่องรูปเป็นทานเสียงเป็นทานกรสเป็นทานโพธิภพเป็นทานเป็นต้นเนี่ยส่วนกลิ่นว่าไปแล้วใช่ไหมให้กลิ่นให้ของหอมอะนะกลิ่นก็ว่าไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนให้เพสัชคือให้ยาเป็นทานก็เพื่อจะได้สําเร็จความไม่แก่และไม่ตาย พระนิพพานที่พ้นจากความแก่และความตายนั้นการให้ยาเป็นทานก็ปรารบถึงการตรัสรู้ธรรมที่ไม่ตายเพราะว่าในโลกนี้ท่านบอกว่าคนที่อายุยืนขึ้นพ้นจากความตายได้เพราะยาฉันใดการให้ยาเป็นทานก็ปรารบเพื่อจะได้ตรัสรู้ธรรมคือพระนิพพานเป็นที่พ้นจากความแก่และความตาย การให้ความเป็นไทยแก่ธาตุทั้งหลายคือหมายก็ว่าตัวเองในเกิดมีธาตุเยอะก็ยกให้ธาตุเนี่ยเป็นไทยก็ผลแห่งการให้อันนี้ทำให้ปลดเรลื้องจากความเป็นธาตคือกิเลสไม่ต้องตกเป็นธาตของกิเลส ท, ทั้งหลายการให้ความยินดีในของเล่นที่ไม่มีโทษเป็นทานอันนี้ก็เพื่อให้เกิดความยินดีในพระสัทธธรรมยินดีในโพธิปธัตยธรรมนั่นเอง การให้ความยินดีในของที่ไม่มีโทษ น, นะเล่นเพลิดเพลินสนุกสนานในของที่ไม่มีโทษอันนี้ก็เป็นผลให้ยินดีในพระสัพทธรรมคือโพธิปัจยธรรมการให้บุตรเป็นทานเนี่ยนะก็เพื่อจะนําศัพท์ทั้งหมดให้เป็นบุตรของพระองค์โดยอริยชาติเนี่ยนะผลจากการที่พระองค์ให้บุตรเป็นทานเช่นให้กันหาเป็นทานให้ชาลีเป็นทานไปนต้นก็เนื่องจากว่า ผลของการให้อ น, นันต์ทให้ศาตว์อื่นนั้นเป็นพุทธบุตรเนี่ยนะเป็นพุทธบุตรของพระองค์โดยอริยธรรมโดยอริยชาติแห่งอริยะชาติถือว่าบุคคลเหล่านั้นเกิดจากอกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยชาติส่วนการให้พริยาเป็นทานน่ยนะท่านบอกว่าเพื่อถึงความเป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสิน้นเพราะว่า ภรยาเนี่ยถือว่าเป็นสมบัตินะนะสมบัติถือว่าเป็นอะไรนะผู้ เ, เรียกว่าสามีคือเจ้าของอันให้ของเป็นที่รับเป็นทา น, นันผลแห่งการให้ภริยาเป็นทานด้วยใจที่ศรัทธานนไม่ใช่อ ย, กอยักยามมานานแล้วแต่หมายคืาว่าให้ด้วยศรัทธาแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรักใคร่ผูกพันกันเป็นอย่างดีแต่ก็สละให้เป็นทานได้ผลแห่งการให้อันนั้นเนี่ย ทำให้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสิ้นนะนะก็เป็นใหญ่เลยแหละไม่มีผู้ใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้าอันนึงเหตุผลหนึ่งก็คือให้ปริยาเป็นฐานนั่นเองส่วนการให้ทองให้แก้วมณีให้แก้วมุกดาให้แก้วประพานเป็นต้นเป็นทานก็เพื่อความสมบูรณ์ด้วยลักษณะที่งดงามเพราะว่าเครื่องประดับเหล่านี้เนี่ยนะเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นแก้วมณีมุกดาแก้วประพาน สิ่งเหล่านี้ก็ตกแต่งเพื่อความงดงามฉันใดปริศลลักษณะที่งดงามของพระพุทธเจ้าก็เนื่องจากให้ข้าวของเหล่านี้เป็นต้นเป็นทานนั้นการให้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นทานนั้นมีผลหมดเลยนะมีผลต่อรู ป, ปกายมีผลต่อสรีระร่างกายมีผลต่อการประพฤติธปฏิบัติมีผลต่อการดําเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเพราะผลแห่งการให้นั่นเอง ส่วนที่พระองค์ให้เครื่องประดับนานาชนิดเป็นทานก็เพื่อให้สมบูรณ์แห่งอนุพยัญชนะปุริสลักษณะมีส2สองใช่หมอนุพยัญชนะมีแปดสิบอนุพยัญชนะเหล่านี้ก็เนื่องจากให้เครื่องประดับทั้งหลายเป็นทานนะเครื่องประดับนานาชนิดเช่นอะไรบ้างก็ รอบๆตัวที่มันไม่ได้เกิดมาพร้อมกับตัวนั่นแหละเรียกว่าเครื่องประดับที่เอามาตกแต่งตามเรีระตัง้งแต่ผมเนี่ยนะปักผมไล่จนถึงโน่นนะประดับแถวแถวตามหน้าตามหูตามอะไรทั้งหลายพวกเครื่องประดับเหล่านี้ก็ทําให้งดงามด้วยอนุพยัญชนะเนี่ยนะส่วนให้คลังสมบัติเป็นทานพระพุทธเจ้านี่บางทียกคลังให้ทั้งคลังเลยนะอย่างชาติที่เป็นพระราชาสละราชสมบัติสละให้แบบไม่ใช่ แบบอะไรนะเขาเขาไล่ให้สละราชบาลังนั่นนะแต่สละด้วยกุศลจิตเนี่ยอันนั้นทําให้พระองค์บรรลุพระสัทธรรมบรรลุการว่าขุมทรัพย์อริยทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มากก็เนื่องจากสละวัตถุภายนอกอนะการว่าขุมคลังคือพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะใช้ไม่หมดไม่สิ้นก็เลยเรียกว่าเป็นพระสัตธรรมมาราชาพระสัทธรรมมราชานั่นเอง ส่วนการที่พระองค์ให้ราชสมบัติเป็นทานก็เพื่อความเป็นพระธรรมราชาเป็นพระราชาที่เกิดโดยธรรมเกิดโดยการบรรลุอริยสัจธรรมการที่พระองค์ให้สวนเป็นทานให้สะเป็นทานให้ป่าเป็นทานก็เพื่อความสมบูรณ์แห่งฌานเป็นต้นเรียกว่ารายละเอียดแห่งฌานความสุขเกี่ยวกับฌานทั้งหลายฌานทุกประเภทนี้ก็ผลจากการให้สวนให้สะ ให้ป่าเป็นต้นเป็นทานอันนี้พูดถึงวัตถุภายในบ้างการที่พระองค์ให้เท้าเป็นทานเช่นตัดเท้าเป็นต้นให้เป็นทานเนี่ยนะก็เพื่อก้าวไปสู่รัศมีโพธิมณฑลด้วยรอยเท้าด้วยเท้าที่มีจักการที่พระองค์ตัดเท้าให้เป็นทานเนี่ยนะทให้พระองค์เนี่ยมีฝ่าพระบาทมีรอยรอยจักเป็นเท้าที่ก้าวไปสู่การตรัสรู้เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า การที่พระองค์ให้มือเป็นทานให้มือเป็นทานก็เพื่อให้ได้มือคือพระสัตธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะให้มือคือสัตธรรมเรียกว่ายื่นมือเข้าไปช่วยก็คือยื่นพระสัทธรรมเข้าไปช่วยสัตว์ทั้งหลายนั่นเองและขณะเดียวกันก็ช่วยฉุดสัตว์ทั้งหลายออกจากโอเคะทั้งสี่ก็เนื่องจากให้มือเป็นทานการที่ให้หูและให้จมูกเป็นทานก็เพื่อได้อินทรีย์ มีสัตทินสี่เป็นต้นเนี่ยนะให้หูให้จมูกเนี่ยนะก็คือเท่ากับว่าพระองค์นี้ได้ศรัทธาได้วิริยะได้สติได้สมาธิได้ปัญญาแะก็เนื่องจากการให้หูให้จมูกแล้วก็ช่วยให้สัตว์ทั้งหลายนะมีศรัทธาเป็นต้นก็เนื่องจากการให้จมูกให้หูเป็นต้นเป็นทานส่วนการให้จักษุเป็นทานให้ตาเป็นทานก็ให้ได้สมันตะจักษุ คือสัพพัญญุตญาณเป็นตาที่รอบรู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งสังคตะอะสังคตะทั้งสิ้นโดยไม่มีส่วนเหลือการที่พระองค์ให้เนื้อให้เลือดเป็นทานก็ด้วยหวังว่าจะนําประโยชน์สุขมาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการเห็นการฟังการระลึกหรือการบําเรอเป็นต้นเนี่ยนะ ที่จริงผลของการให้เลือดให้เนื้อเป็นทานเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยสำเร็จความเป็นอนุตริยะบุคคลเป็นบุคคลที่ควรแก่ทัศนานุตริยะควรแก่การเห็นไม่มีบุคคลใดที่สมควรเห็นเท่ากับเห็นพระพุทธเจ้าอีกแล้วถ้าจะฟังก็ไม่มีใครที่น่าฟังเท่ากับฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า มันพะผลแห่งการให้เนื้อให้เลือดเป็นทานทําให้พระองค์เนี่ยเป็นบุคคลคู่ควรแก่สวนานุตรยาคู่ควรแก่การฟังแล้วในบรรดาบุคคลที่ควรระลึกถึงเรว่าอนุสตาอนุตรยาเนี่ยนะก็ไม่มีผู้ใดที่จะควรระลึกถึงเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าหากว่าจะอุปถากจะดูแลจะรับใช้จะคอยบำรุงเป็นต้นก็ไม่มีผู้ใดควรแก่การบำรุงคู่ควรแก่การอุปถากเหมือนกับพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นผลของการให้เนื้อให้เลือดเป็นทานส่วนผลแห่งการให้ร่างกายเป็นทานเนี่ยนะการให้กายเป็นทานก็เป็นว่าเป็นกายที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้มีสริระที่สัตว์โลกทั้งปวงเข้าไปอาศัยเข้าไปพึ่งพิงพระองค์ได้นะ พ ร, พระองค์ให้ร่างกายเป็นทานการที่พระองค์ให้อวัยวะสูงสุดเป็นทานคือให้ศีรษะที่ประดับประดาตกแต่งเสร็จแล้วก็ตัดให้เนี่ยนะก็ด้วยผลว่าพระองค์นั้นจักเป็นผู้สูงที่สุดในโลกทั้งปวงอันนี้ก็เป็นผลของการให้ก็ให้ศีรษะเป็นทานเรียกว่าให้ทุกอย่างนะแต่ว่าการให้ทุกอย่างนั้นไม่ใช่ไม่มีผลมีผลทุกอย่างจากการให้ ผลของการให้นั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศรีระร่างกายชีวิตการดําเนินการใช้ชีวิตของพระองค์เนี่ยเป็นผลของบุญบารมีที่พระองค์ได้สั่งสมมาเนี่ยนะอันหนึ่งพระมหาบุรุษนั้นเมื่อให้อย่างนี้ก็ไม่ให้เพื่อสแสวงหาผิดไม่ให้เพื่อจะเบียดเบียนผู้อื่นไม่ให้เพราะความกลัว ไม่ใช่เพราะความละอายหรือเพราะความโกรธเคืองในทักษินายาบุคคลคือหมายความว่าท่านให้เนี่ยไม่ได้ให้ด้วยการสแสวงหาข้อปฏิบัติแบบผิดผิดมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิครวสแสวงหาพรหมจรรย์ที่ผิดหรือสแสวงหาภพภูมิเป็นต้นเพราะท่านไม่ได้ให้เพื่อสแสวงหาการแสวงหาภพ ขณะเดียวกันการให้ก็ไม่ได้ให้เพื่อจะเบียดเบียนผู้ใดไม่ต้องการจะทําให้ผู้ใดเดือดร้อนหรือที่ให้ก็ไม่ใช่ว่าเพราะอะไรนะถูกข่มเหงเรียกว่าขู่ริถูกเขาขูดก็เลยให้ไปถูกเขาข่มขู่ก็เลยให้ไปไม่ได้ให้เพราะกลัวหรือบางคนเนี่ยที่ไม่ให้เพราะละอายใจคนอื่นเขาก็ให้คนอื่นเขาก็ให้เราจะไม่ให้คนเดียวได้ยังไงอายเหลือเกินก็เลยให้ไปก็ไม่ได้ให้เพราะละอาย กระว่าไม่ได้ให้เพราะเขินอายอะไรแบบนั้นหรือบางทีก็ให้ประชดประชันคนรับไปะนะขอดีนักก็ให้ไปซะหมดเรื่องโมราจะได้ไปพ้นๆกระว่าโกรธผู้รับกระว่าให้ส่งไปเลยก็ไม่ใช่แบบนั้นถ้าหากว่าของประเนี่มีอยู่จะไม่ให้ของที่เศร้าหมองคือจะเลือกให้ของดีจะไม่ให้จะไม่ให้ของเลวๆเวนี่ยนะไม่ให้เพื่อจ ะ, อะด้วยการยกตนหรือข่มผู้อื่น แล้วก็ไม่ได้ให้หวังผลหวังผลอย่างอื่นนะนอกจากโพธรียานเนี่ยไม่หวังผลแบบนั้นแล้วก็ไม่ให้ด้วยความเกลียดยาจกที่เราว่าให้แบบขับไล่สายส่งเป็นต้นไม่ใช่ไม่ใช่ให้ด้วยความไม่เคารพก็คือให้ด้วยความเคารพนั่นเองสรุปว่าให้ด้วยความเคารพให้ด้วยมือของตนให้ตามการอันสมควรทําความเคารพแล้วให้ให้ด้วยการไม่แบ่ง นะไม่แบ่งว่าเออคนนี้คนชั้นเลวชั้นกลางชั้นสูงเป็นต้นแบ่งทางความคิดเนี่ยไม่แบ่งเมื่อให้ใจยินดีในการสามก่อนให้ก็ดีใจกําลังให้ก็ดีใจให้เสร็จแล้วก็ดีใจให้แล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยนะไม่ต้องลาบากใจในภายหลังเดือดร้อนใจแล้วบอกไม่น่าเลยตำหนิตัวเองที่ให้บอกไม่มีให้ก็ไม่ใช่เพื่อจะยกย่อง หรือดูหมินปฏิคาหกคือผู้รับบางคนนี่ให้แบบกระว่ยยกย่องอะไรที่มันเลยเถิดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ย่องเกินแล้วก็ดูหมินเยียดยามก็ไม่ใช่ขณะที่ให้ก็เปล่งถ้อยคําอันน่ารักแล้วก็รู้จักคาพูดพูดเป็นถ้าหากว่ามีผู้เข้าไปขอให้ของพร้อมทั้งบริวารถ้าจะให้นะไม่ใช่ให้แต่แบบโดดๆให้ของเดียวๆไม่ใช่ เช่นว่าเมื่อจะให้ข้าวเป็นทานนนะยกข้าวพร้อมทั้งกับเป็นต้นก็ยังให้ผ้าด้วยคือเอาผ้าเอาอะไรอย่างอื่นตั้งใจไว้ว่าสิ่งของเหล่านี้จะเป็นบริวารแห่งการให้นะก็คื อ, คอจะไม่ให้ของเดี่ยวๆโดดๆแต่จะให้แบบเรียกว่ามีบริวารเช่นว่าเมื่อจะให้ผ้าเป็นทานก็จะเลี้ยงข้าวด้วยไม่ใช่ให้แต่ผ้าอย่างเดียวจะมีการเลี้ยงข้าวเป็นต้นด้วย โดยการทําให้ข้าวเป็นต้นนั้นเป็นบริวารของผ้าหรือการให้ยานเป็นต้นเป็นทานก็ยังให้อย่างอื่นเป็นบริวารก็คือแล้วแต่จะยกอะไรเป็นประธานแต่จริงๆในเรื่องเดียวให้หลายอย่างแต่จะยกอะไรเป็นประธานเท่านั้นอันหนึ่งพระมหาบุรุษเมื่อให้รูปเป็นทานก็กระทําให้เป็นอารมณ์ให้เป็นบริวารของรูปคือหาของอย่างอื่นมาเป็นบริวาร ได้รูปเป็นทานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาจะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือได้ผ้าผ้าไม่เนไม่ว่าจะเป็นผ้าสีเขียวสีเหลืองผ้าสีแดงผ้าสีขาวท่านก็จะกําหนดคิดดูก่อนว่าเราจะให้รูปเป็นทานเกี่ยวัดูแลสีสันตารคถึงสีสันก่อนที่จะให้เนี่ยนะการให้รูปเป็นทานของเราเนี่ยนะว่าเป็นของพร้อมทาวัตถุให้ตั้งอยู่ใน ทักคิดนยะบุคคลเช่นนี้คือหมายถึงว่าอย่างเช่นก่อนที่จะให้ผ้าเนี่ยคิดเสร็จแล้วว่าเออผ้าชนิดนี้ถ้าคนนั้นนุ่งห่มจะเป็นอย่างไรเนี่ยไม่ใช่แบบให้ส่งส่งไปไม่ใช่แต่คิดเสร็จเลยว่าเออเมื่อเขาเอาไปนุ่งเอาไปหม่มเอาไปใช้เอาไปยังไงแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะน่าดูหน่าจะงดงามไหมอะไรไหมเป็นต้นนั่นเองสแสดงว่าการให้สีแต่ละอย่างเนี่ยเปรียบเทียบดูความเหมาะสมทั้งหมดก่อนที่ จะให้เนี่ยนะอาถ้าให้เสียงเป็นทานนะก็ให้เสียงเป็นทานด้วยไม่ว่าจะเป็นให้เสียงกลองเป็นทานให้เสียงกลองหมายก็ว่าให้แล้วเป็นกุศลน่นะให้ด้วยจิตที่เป็นกุศลในการให้เสียงเป็นทานนั้นไม่สามารถจะให้เสียงเหมือนแบบอะไรนะถอนเงาบัวถอนรากบัววางกำดอกบัวไว้บนฝ่ามืออะไรรอแต่การให้เสียงเป็นทานหมายถึงการทำให้พร้อมกับวัตถุ แล้วก็ให้ที่เรียกว่าให้เสียงเป็นทานเช่นการให้เสียงเป็นทานทําไงบ้างในการลใดทําเองหรือใช้ให้คนอื่นทําเพลงบูชาพระรัตนะไตร mm hmm. เรียกว่าการทําดนตรีเพื่อบูชาพระรัตนตรัยนั้นไม่ได้เป็นบาปเนี่ยนะเรียกว่าเครื่องดนตรีรออสมัยก่อนก็มีเลยนะะดนตรีถวายพรพระดนตรีรับพระดนตรีส่งพระอะไรก็จะมีโบราณคนไทยนะเขาจะมีรนน เ, ะมเรียกว่าให้เสียงเป็นทานเนี่ยนะ